ธรรมบทแปลเรื่องพระเจ้าวิถูทภะภาคที่สเรื่องที่ส5ิพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในกรุงสาวิตีทรงปรารพพระเจ้าวิถูทภะพร้อมทั้งบริษัทซึ่งถูกพ่วงน้ำท่วมทับให้สวรรคนแล้วตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าบุพพานิเหวะ จินันตังพยาสัตต์มนะสังนรังสุดตังภามังมหาโหโควะมัจจุอาธยะขัจฉะคติแปลว่ามัจจุย่อมพาณระผู้มีใจคล่องในอารมณ์ต่างๆผู้เลือกเก็บดอกไม้อยู่เที่ยวไปเหมือนห่วงน้ำใหญ่พัด ช, ชาบ้านอันหลับหลายแล้ว ไฉะนั้นอนุบุคพิกถาในเรื่องนั้นมีดังต่อไปนี้ตอนสามพระกุมารไปศึกษาศิลปะในกรุงต ก, กศิลาพระกุมารสามพระองค์เหล่านี้คือพระราชโอรสของพระเจ้ามหาโกสศในพระนครสาวัตถีพระนามว่าปรเสนที่กุมาร พระกุมารของเจ้าลิชวีในพระนครเวสาลีพระนามว่ามหาริและโอรสของเจ้ามันละในพระนครกุสินาราทรงพระนามว่าพันธุลักษ์สามรูปนี้สเสด็จไปนครตะกิีิลาเพื่อเรียนศิลปะในสำนักอาจารย์ที่สาป่าโมกมาพบกันที่ศาลานอกพระนคร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 ตำแหน่งต่างกันบรรดาพระกุมารทั้งสามพระองค์นั้นเปอร์เซนที่กุมารทรงแสดงศิลปะถวายพระชนกอันพระชนกทรงเลื่อมใสแล้วจึงอภิเศกในราชสมบัติมหาลิกุมารเมื่อจะทรงแสดงศิลปะแก่ชาวลิชวีทั้งหลายก็แสดงด้วยความอุตสาหามากพระเนตรของพระองค์ได้แตกไปแล้ว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 ทรงเรียนศิลปะวิทยาอยู่แล้วฟัพันธุลกุมานเมื่อพวกตระกูลมลราชกล่าวว่าขอพันธุลกุมานจงฟันไม้ไผ่เหล่านี้ในนี้แล้วได้กระโดดขึ้นไปยังอากาศสูงถึง80สบศอกเอาดาฟันมัดไม้ไผ่ห0สิบลำซึ่งพวกเจ้ามละเอาไม้ไผ่ห0สิบลำ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 อันพระชนนีและพระชนกห้ามแล้วโดยประการต่างๆเป็นต้นว่าลูกเอ๋ยนี้เป็นราชประเพณีเจ้าไม่ได้เพื่อจะทําอย่างนั้นพันธุลักุมารจึงได้ทูลว่าถ้ากรณ์นั้นหม่อมฉันจะไปสู่สำนักเพื่อนของหม่อมฉันนั่นี้แล้วได้เสด็จไปเมืองสาวพัทแล้วฝ่ายพระชาประสิทธิส่งทราบการเสด็จมาของพันธุลันั้น จึงทรงต้อนรับเชิญให้เสด็จเข้าวรณกรด้วยสาการะใหญ่แล้วทรงตั้งไว้ในตำแหน่งเสนาบดีพันธุลเษเสนาบดีนั้นได้เชิญพระชนนีและพระชนกมาอาศัยอยู่ในเมืองสาวัตถนั้นนั่นแหละตอนพระราชาทรงเลี้ยงพัตหารภิกษุเองไปหลังวันหนึ่ง พระราชาประทับยืนอยู่ประสาทชั้นบนท้านพระเนตรไปยังระหว่างถนนเห็นภิกษุหลายพันรูปซึ่งไปเพื่อต้องการทำพัฒกิจในฤหัสของท่านเหล่านี้คือท่านอนาถบินฑิกาเศรษฐีจุลาอนาถบินฑิกาเศรษฐีนางวิสาขานา่งสุปปวาสานางนี้แล้วจึงตรัสถาม กับเพื่อราชบรุษว่าพระผู้เป็นเจ้าเหล่านั้นไปไหนกันราชบรุษจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่ส ม, มุทเทเวสพิพสูุ2 0พ0รูปไปเพื่อประโยชน์แก่พัททั้งหลายมีนิตยาพัทสลากพัทและขี้ลานะพัทเป็นต้นในเคริอหารของอนาถะวินิกาะเศรษฐีทุกๆวันพิสูุ5 0ร้อรูปไปครืหารของจุลอนาถ บินทิกาศเศรษฐีเป็นนิจของนางวิสาขาและนางสุปปาวาสาก็เช่นเดียวกันพระชจ้าพระเจ้าประเจนที่โกศลก็ทรงประสงค์จะบำรุงภิกษุด้วยพระองค์เองบ้างจึงเสด็จไปยังวิหารทรงนิมนต์พระศาสดาพร้อมกับภิกษุพันรูปถวายทานด้วยพระหัตของพระองค์เองสิ้นเจ็ดวัน ในวันที่เ็ดถาวายบังคมพระาศาสดาแล้วทูลว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์จงทรงรับภิกษาของข้าพระองค์พร้อมด้วยภิกษุห้ารอยรูปเป็นนิเตปุชฆาพ ร, าระาศาสดามาหาวิปิตธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมไม่รับภิกษาประจำในที่แห่งเดียวประชาชนเป็นจำนวนมาก ย่อมหวังเฉพาะการมาของพระพุทธชาติทั้งหลายพระราชาท่านกระนั้นขอพ ร, ระองค์โปรดส่งภิกษุรูปหนึ่งไปเป็นประจำเทิดพระศัสดาได้ทรงทำให้เป็นภาระของท่านพระอนุนเตระพระราชาไม่ทรงจัดเจ้าหน้าที่ไว้ว่าเมื่อภิกษุสง์มาแล้วชื่อว่าชนเหล่านี้รับบาตแล้วจงอังคาา คือการถวายทรงอังคาาคือถวายด้วยพระองค์เองเท่านั้นตลอดเจวันในวันที่แปดทรงลืมไปที่ได้ทรงกระทาให้เนินชาแล้วก็ธรรมดาในราชตระกูลชนทั้งหลายอันพระราชาไม่ได้ทรงสั่งแล้วย่อมไม่ได้เพื่อปูอัสนะทั้งหลายนิมนต์พวกพิจุให้นั่ง แล้วถวายของเลยพวกภิกษุก็คิดกันว่าเราไม่อาจเพื่อยับยั้งอยู่ในที่นี้ได้จึงพากันหลีกไปเสียหลายรูปแม้วันที่สองพระราชาก็ส่งลืมแล้วแม้ในวันที่สองภิกษุเป็นอันมากก็พากันหลีกไปถึงวันที่สามพระราชาก็ส่งลืมในการนั้น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 ตั้งแต่ชนชั้น8เหล่านี้คืออริยะสาวกสองรูปคือพระสาริบุตรเทระพระมหาโมกขลานาเทระอ克拉สาวิกาสองรูปคือนางเขมานางอุบลว น, นาบรรดาอุบาสกทั้งหลายอุบาสกผู้เป็นอ克拉สาวกสองคนคือจิตตะเครือบดีหันต ะ, ะอุบาสกชาวเมืองอารวี บรรดาอุบาสิกาทั้งหลายอุบาสิกาผู้เป็นอกระสาวิกาสองคนคือมารดาของนันทามานพชื่อเวรุกันตะกีและนางกุจชุตตราล้วนมีบุญมากสมบูรณ์ด้วยอภินิหารเพราะความเป็นผู้บำเพ็ญบารมีสิบด้วยเอกเทศแม้ท่านพ ร, ระอนนตเทระมีบารมีอันบำเพ็ญแล้วตั้งแสนกับ สมบูรณ์ด้วยอภินิหารมีบุญมากเมื่อจะรักษาความเลื่อมใสของตระกูลจึงได้ยับยังอยู่พระความที่ตนเป็นไปในอำนาจแห่งเหตุพวกราชบรุษนิมนต์ท่านรูปเดียวเท่านั้นให้นั่งแล้วอังคารพระราชาเสด็จมาในเวลาที่พวกพิกสู่ไปแล้วพระเนตรเห็นกาติยะและโภชนียะนั่งอยู่อย่างนั้นหละ จึงตรายตามว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายไม่ได้มาหรือทรงสดับว่าพระอนน์เทระมารูปเดียวเท่านั้นพระเจ้าข้าพระราชาส่งพิโรธพิสูจน์ทั้งหลายว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายได้ทําการตัดขาดต่อเราเพียงเท่านี้เป็นแน่จึงเสด็จไปสนักพระศา ส, สดากราบดูลว่าขค่แต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จัดแจงพิกษจไว้ เพื่อภิกษุห0 0ร้อรูปทราบว่าพระอนนเทระรูปเดียวเท่านั้นมาภิกษาที่หม่อมฉันจัดแจงแล้วตั้งอยู่อย่างนั้นนั่นเองภิกษุห0 0ร้อรูปไม่กระทําความสำคัญในพระราชวังของหม่อมฉันเลยจะมีเหตุอะไรน้อแลตอนตระกูลที่ภิกษุควรเข้าไปและไม่ควรเข้าไปพระสัสดาไม่ตรัสโทษของพวกภิกษุแต่ตรัสว่า มหาบพิษสาวกทั้งหลายของอธตรมาภาพไม่มีความคุ้นเคยกับพระองค์พระเหตุนั้นพิกษุน์ทั้งหลายจะไม่ไปแล้วเมื่อจะทรงประกาศเหตุแห่งการไม่เข้าไปและเหตุแห่งการเข้าไปสู่ตระกูลทั้งหลายจึงตรัสเรียกพิสษุนทั้งหลายมาแล้วตรัสพระสูตรที่มาในอังกุตระนิกายนวากวรคนี้ว่าพิสูุน์ทั้งหลาย ต ร, ร, ร, ร, ร, ระกูลที่ประกอบด้วยองค์ก้าพิงสุยังไม่เข้าไปก็ไม่ควรเข้าไปและครั้นเข้าไปแล้วก็ไม่ควรนั่งใกล้ตระกูลที่ประกอบด้วยองค์ก้าเป็นอย่างไรเล่าตระกูลที่ประกอบด้วยองค์9้าเหล่านี้คือเขาไม่ต้อนรับด้วยความพอใจไม่อภิวาท ด, ด้วยความพอใจไม่ให้อาสนะด้วยความพอใจ ช้อนของที่มีอยู่ของเขาไว้เมื่อของมีอยู่มากก็ให้น้อยเมื่อมีของประนีตก็ให้ของเศร้าหมองให้โดยไม่เคารพไม่ให้โดยความเคารพไม่นั่งใกล้เพื่อฟังธรรมเมื่อกล่าวธรรมอยู่เขาก็ไม่ยินดีภิกษุทนายตระกูลที่ประกอบด้วยองค์ก้าเหล่านี้แหละภิกษุยังไม่เข้าไปแล้วก็ไม่กวนเข้าไป และกรันเข้าไปแล้วก็ไม่ควรนั่งไกล้พิสุทั้งหลายส่วนตระกูลที่ประกอบด้วยองค้าวพิสู่ยังไม่เข้าไปก็ควรเข้าไปและเมื่อเข้าไปแล้วก็ควรนั่งไกลตระกูลประกอบด้วยองค้9เป็นอย่างไรเล่าตระกูลที่ประกอบด้วยองค้าเหล่านี้คือเขาต้อนรับด้วยความปอใจ อภิวาส ด, ด้วยความพอใจให้อาสนะด้วยความพอใจไม่ซ่อนของที่มีอยู่ของเขาไว้เมื่อของมีมากก็ให้มากเมื่อมีของประนีตก็ให้ของประณีตให้โดยเคารพไม่ให้โดยไม่เคารพเข้าไปนั่งใกล้เพื่อฟังทำเมื่อกล่าวทำอยู่เขาก็ยินดี พิสุตรหลายตระกูลที่ประกอบด้วยองค้าเหล่านี้แหละภิกษุยังไม่เข้าไปก็กวนเข้าไปและครั้นเข้าไปแล้วก็กวนดังไกล้ดังนี้แล้วจึงได้ตรัสกับพระชาปเสศสนิโกชนว่ามหาปวีสสาวกของอัตมาภาพเมื่อไม่ได้ความคุ้นเคยจากสำนักของพระองค์จึงจะไม่ไปด้วยประการชนนี้แหลก็แต่จริง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 ในอดีตการเมื่อพระเจ้าบรมาตัตเสวยราชสมบัติในพรรทักรกราณาสีพระราชาทรงพระนามว่าเกสบะทรงสละราชสมบัติออกพนวดเป็นฤาษีมีบุตรห้าร้อยคนออกบวชตามพระราชานั้นท้าวเตอได้พระนามว่าเกสวาดาบทอันหนึ่งนายปูสามาลาของพระองค์ ได้บวชตามเป็นอันเตวาสิกนาว่ากัปปะเกษวาดาบทกับบริษัทอาศัยอยู่ในหิมมะวันตาประเทศสิ้นแดเดือนพอในฤดูฝนเพื่อต้องการเสบรถเค็มแล้วรถเปรี้ยวบ้างจึงไปถึงกรุงปรณนศีแล้วเข้าไปสู่พระนกรเพื่อพิกษาราลดัแบบนั้น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 ด้วยเสียงอึงกระหนิงต่างๆมีเสียงช้างเป็นต้นจึงกล่าวว่าท่านอาจารย์พวกกระผมรำคาญใจจะไปละ่ะเกสวะพวกท่านจะไปที่ไหนกันพ่อพวกลกศิษย์จะไปสู่หิมพานต์ต่าประเทศท่านอาจารย์เกศวะก็ในวันที่พวกเรามาทีเดียวพระชจ้าเป็นดินทรงรับบัติ ญ, ญาเพื่อประโยชน์แก่การอยู่ที่นี้ตลอดสี่เดือน พ่อเธอจะไปเสียอย่างไรแล้วพ่อลูกศิษย์คืออันเตวาศิษย์ทั้งหลายจึงกล่าวว่าท่านอาจารย์ไม่บอกพวกกระผมเสียก่อนแล้วจึงรับคำของพระราชาพวกกระผมไม่สามารถอยู่ในที่นี้ได้จะอยู่ในที่ที่พอฟังความเป็นไปของท่านอาจารย์ได้ซึ่งไม่ไกลจากที่นี้ดัง น, นี้แล้วก็พากันบ้ายพระอาจารย์แล้วหลีกไป อาจารย์ก็คงอยู่กับอันเตบาสิกคือลูกศิษย์ที่ชื่อกับปะกะเท่านั้นพระราชาเสด็จมาสู่ที่บำรุงแล้วตรัสตามว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายไปไหนกันเกสวะดาบทจึงทูลว่ามาบพิษพวกดาบทเหล่านั้นบอกว่าเกิดความรำคารใจดังนี้แล้วก็ไปสู่หิมมะวันตาประเทศ ในการต่อมาไม่หนานนะักแม้กับปะกาศดาบทก็ราการใจแล้วแม้ถูกอาจารย์ห้ามอยู่บ่อยๆก็กล่าวว่าไม่อาจจะอยู่ได้แล้วจึงได้หลีกไปแต่กับปะการดาบทนั้นไม่ไปสํานักของพวกดาบทนอกนี้ก็ฟังข่าวของอาจารย์อยู่ในที่ไม่ไกลนะักในการต่อมา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 ก็เพิงทำความผาสุขแก่ท่านเดี๋ยวนี้แหละเกศวดาบทมาัมบอพิธหากว่าพระองค์ทรงปรารถนาความสุขแก่อัตมภาพใสโปรดส่งอัตมภาพไปยังสำนักของพวกอันเตวาสิก ค, คือพวกลุกสิธิ์เถิดพระราชาจึงรับคำดังนั้นแล้วให้ดาบทนั้นนอนบนเตียงน้อยทรงส่งอมรตไปสีนาย มีนาระธาอามาตเป็นหัวหน้าด้วยรับสั่งบ่าพวกท่านทราบข่าวของพระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วพึงส่งข่าวถึงเราด้วยนะกัาปะกะอันเตวาสิกทราบว่าอาจารย์มาก็ทําการต้อนรับเมื่ออาจารย์กล่าวว่าพวกนอกนี้ไปอยู่ที่ไหนกันจึงเรียนว่าทราบว่าอยู่ในที่นอนครับอันเตวาสิกแม้เหล่านั้น ถ้าพรอาจารย์มาแล้วจึงมาประชุมกันนะที่นั้นนั่นแลถวายน้ำร้อนแล้วได้ถวายพลาผลแก่อาจารย์โรคได้สงบแล้วนะขณะนั้นนั่นเองประดาบทนั้นมีวันนะประดุจทองคำโดยสองถึงสามวันเท่านั้นลำดับนั้นลรลาทะอมาตจึงตามด้วยคำที่เป็นกาถาว่า ถ้าแต่เกศีดาบทผู้มีโชคอย่างไรหนอท่านจึงละพระราชาผู้เป็นจอมแห่งมนุษย์ผู้บัรดาลสมบัติหน้าใคร่ทั้งสิ้นให้สำเร็จเสียแล้วยินดีนาอาสรมของกับประกาศดาบทเกศวัดาบทได้ตอบว่าคำไพเราะจวนให้รื่นรมมีอยู่รกชาติเป็นที่เพลินใจมีอยู่นรทั ครัมที่กบักกะกล่าวดีแล้วย่อมให้เรายินดีได้นารัตหามาจึงถามต่อไปว่าก็ท่านบริโภคข้าวสุกแห่งข้าวสาลีอันเจือด้วยรสเนื้อดีๆแล้วข้าวฟ่างและลูกเดือยซึ่งหารสเข็มไม่ได้จะทำให้ท่านยินดีได้อย่างไรเกสวนาบทจึงตอบว่าผู้คุ้นเคยกันบริโภคอาหาร ไม่อร่อยหรืออร่อยน้อยหรืออร่อยมากในที่ใดอาหารที่บริโภคในที่นั้นก็ให้สาเร็จประโยชน์ได้เพราะว่าเราทั้งหลายมีความคุ้นเคยเป็นอย่างยิ่งพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประมวลชาดกตรัสว่าพระราชาในครั้งนั้นได้เป็นโมกขละนะนรัฐอมัด ได้เป็นสารีบุตรอันเตวาสิกชื่อกัปป ะ, ะได้เป็นพระอนน์เกสวดาบทเป็นรานี้นั่นเองดังนี้แล้วจึงได้ตรัสกับพระชาปรเชนที่โกศลอย่างนี้ว่าอย่างนั้นแหละมาบาพิษบัณฑิตในปางก่อนถึงเวทนาปางตายได้ไปสู่ที่คนมีความคุ้นเคยกันแล้ว สาวกทั้งหลายของอัตมาภาพชราอยจะไม่ได้ความคุ้นเคยในสำนักของพระองค์ตอนพระราชาส่งส่งสารไปขอที่ดาจากเจ้าสากยะพระราชามีความดำริว่าเราควรจะทำความคุ้นเคยกับพี่สุสงเราจะทำอย่างไรดีนอดนั่นี้แล้วจุน่ายทรงดำริต่อไปอีกว่า เราควรทำพระธิดาแห่งพระญาติของสัมมาสัมพุทธเจ้าวไว้ในพระราชมทียนเมื่อเป็นเช่นนี้พวกพิษสูนุ่มและพวกสามเณรก็อาจจะคุ้นเคยและมาอย่างสนักของราบเป็นนิส ด, ด้วยคิดว่าพระราชาเป็นพระญาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนี้จึงส่งพระราชสารไปสํานักเจ้าสักยะทั้งหลายว่า ขอเจ้าสักยะทั้งหลายจงประทานพระธิดาคนหนึ่งแก่หม่อมฉันแล้วรับสั่ ง, บ, งบังคับทูตทั้งหลายว่าพวกท่านพึงตามว่าเป็นพระธิดาแห่งเจ้าสักยะองค์ไหนแล้วจึงมาตอนเจ้าสักยะให้ธิดานางตาสีแก่พระชาเปเสนทิ่พวกทูตไปแล้วทูนขอเจ้าหญิงคนหนึ่ง กษัตริยสักยะทั้งหลายเจ้าสักยะเหล่านั้นประชุมกันแล้วมีความตระหนี่ว่าพระราชาเป็นฝักฝ่ายอื่นแต่ว่าถ้าพวกเราจะไม่ให้ไซท้าวเธอก็จะทําให้เราชิบหายก็เมื่อว่าโดยสกุลท้าวเธอไม่เสมอกับเราเลยพวกเราควรทําอย่างไรกันดีท้าวหมานามะตรัสว่า ธิดาของหม่อมฉันชื่อว่าวาสภะกติยาเกิดในท้องของนางตาสีถึงความเป็นผู้มีรูปงามเลิศมีอยู่พวกเราจะให้นางนั้นดางนิลาจึงรับสั่งกับพวกทูตว่าดีละ่ะพวกเราจะถวายเจ้าหญิงแก่พระราชาทูตตึงถามว่าเป็นพระธิดาของเจ้าสักยะองค์ไหนพวกเจ้าสักยะ เป็นธิดาของเจ้ามาหานามาสักยรราชผู้เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าอาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่าสภกติยาทูตเหล่านั้นไปกราบทูลแด่พระราชาของตนพระราชาคือพระชาประสิทีิจึงตรัสว่าถ้าอย่างนั้นก็ดีละ่ะพวกเธอจงรีบนำมาเถิดก็ธรรมดาพวกกษัตริย์มีเล่ห์กลมาก จะพึงส่งแม้ลูกสาวของนางตาสีมาก็อาจเป็นได้พวกท่านจงนําธิดาผู้สเสบายอยู่ในภาชนะเดียวกันกับพระปิดามาดือนนี้แล้วก็จึงส่งทูตทั้งหลายไปพวกเขาไปแล้วกราบตูลว่าขอเดชะพระราชาส่งปรารถนาพระธิดาผู้สเสบยร่วมกับพระองค์พระมหานามะจึงรับบ่าได้สิพาอ แล้วจึงให้ตกแต่งนางในเวลาเสบยของพระองค์รับสั่งให้เรียกนางมาแสดงอาการประหนึ่งว่าร่วมสวยกับนางแล้วมอบแก่ทูตทั้งหลายพวกเขาพานางไปยังเมืองสาวัถีแล้วกราบทูลเรื่องราวนั้นแด่พระราชาพระราชาทรงพอพระทยัยตั้งให้นางเป็นใหญ่กว่าสตรีห้าร้อยคน อภิเษกนางไว้ในตำแหน่งอัคราเมเหสีต่อการไม่นานนักนางก็ประสูติพระราชโอรสมีวันนะเหมือนตองกัมต่อมาในวันขนานพระนามพระโอรสนั้นพระราชาทรงส่งพระราชสารไปสานักของพระอยิกาว่าพระนางวาสภคติยาพระธิดาแห่งสักยรราชประสูติพระโอรสแล้ว จะทรงขนานพระนามพระกุมารนั้นว่าอย่างไรฝ่ายอมาตผู้รับพระราชสารนั้นไปค่อนข้างจะหูตึงเขาเข้าไปกราบทูลแก่พระอีิกาของพระราชาตอนพระกุมารได้พระนามว่าวิถุทภะพระอิ้กานั้นทรงสดับเรื่องนั้นแล้วตรัสว่าพระนางวาสภคติยาแม้ไม่ประสูตพระอรส ก็ได้ครอบคราวสมบัติทั้งหมดก็บัด น, นี้นางจะเป็นที่โปรดปรานยิ่งของพระราชาอมัดหูตึงฟังคำว่าวัน ล, ละภาไม่ค่อยชัดเข้าใจว่าเป็นวิทูตภะครั้นเข้าไปเฝ้าพระราชาแล้วก็กราบตูนว่าขอเดชะพระองค์จงทรงขนานพระนามของพระกุมารว่าวิ ท, าทูตภะเถิด พระราชาทรงดำริว่าคําว่าวิทุทปะจะเป็นชื่อประจําตระกูลเก่าของเราจึงได้ทรงขนานพระนามว่าวิทุทปะดังนี้ตอนวิทุทปะเสด็จเยี่ยมสากยัตระกูลต่อมาพระราชาได้พระราชทานตําแหน่งเสนาบดีแก่วิทุทปะกุมาร น, นั้นในเวลาที่ยังทรงพระเยาว์นั่นแล ด้วยตั้งพระไตยว่าจะกระทำให้เป็นที่โปรดปรานของพระศาสดาวิตรุตปานั้นทรงเจริญแล้วด้วยเครื่องบำรุงสำหรับกุมารในเวลามีประชนเจ็ดกวบทรงเห็นของเล่นต่างๆมีรูปช้างและรูปม้าเป็นต้นของกุมารเหล่าอื่นอันบุคคลนำมาจากตระกูลยาย จึงถามพระมารดาว่าเจ้าแม่ใครๆเขาก็นำบรรดาการมาจากตระกูลยายเพื่อพวกกุมารเหล่าอื่นพระญาติไรๆ่ๆย่อมไม่ส่งบรรดาการไรๆ่ๆมาเพื่อม่อมฉันบ้างเลยเจ้าแม่ไม่มีพระชนนีพระชนกหรือที่นั้นพระมารดาจึงลวงพระโอรสนั้นว่าพ่อเจ้าสากยะ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 อย่าเลยลูกเอ๋ยลูกจะไปทำอะไรในที่นั้นวิธูทะปานันนก็ยังอ้อนบอนร่ำไปที่นั้นมารดาของพระกุมารก็ทรงยินยอมว่าถ้าอย่างนั้นก็ไปเถิดตอนพวกษากยะต้อนรับวิธูทะปา พ, พระกุมารทรงกราบตูนพระราชบิดาแล้วเสด็จอไปพร้อมด้วยบริวาร เป็น่นมากพระนางวาสภาคติยาทรงส่งจดหมายล่วงหน้าไปก่อนว่ามอมฉันอยู่ทางนี้สบายดีพระญาติทั้งหลายอย่าแสดงโทษไร้ไรของพระสวามีแก่พระกุมาร น, นั้นเลยเจ้าสักยะทรงทราบว่าวิทูตพระกุมารเสด็จมาทรงปรึกษากันว่าพวกเราไม่อาจไหววิวทูตพระกุมารได้ จึงส่งพระกุมารทั้งหลายที่เด็กๆ ก, กว่าวิถุทบานนั้นไปยังชนบทเสียเมื่อวิุททบากุมารนั้นเสด็จถึงกบิละพัสบุรีก็ประชุมกันในตองพระโรงวิถุทบากุมารได้เสด็จไปประทับอยู่ณที่นั้นลำดับนั้นพวกเจ้าสากยะกล่าวกับพระกุมารนั้นว่าพ่อ ผู้นี้เป็นพระเจ้าตาของพ่อผู้นี้เป็นพระเจ้าลุงวิตรสตปานั้นเที่ยวไหว้เจ้าสากยะทั้งหมดมิได้เห็นเจ้าสากยะแม้องค์หนึ่งไหว้ตนจึงทูลถามว่าทำไมหนาจึงไม่มีเจ้าสากยะทั้งหลายไหว้หม่อมฉันบ้างพวกเจ้าสากยะตรัสว่าพ่อกุมารที่เป็นน้องน้องของพ่อ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 นังนี้แล้วก็ล้างแผ่นกระดานที่พระกุมาร น, นั้นนั่งในท้องพระโรงด้วยน้ำเจือด้วยน้ำนมมาหาเล็กคนหนึ่งลืมอาวุธของตนไว้กลับไปเอาอาวุธนั้นได้ยินเสียงดาวิฑูทะบกุมารจึงถามโทษนั้นทราบว่าล่างวาสะกติยาเกิดในท้องของนางตาสี ของท้ามาหานามสะสักะยะจึงบอกกล่าวแก่พวกผลได้มีการอื้อฉาวกันอย่างขนาดใหญ่ว่าได้ยินว่าพระนางวาสบาคตยาเป็นที่ดาของนางตาสีตอนวิธุทะพะทรงอาคาตพวกเจ้าสักะยะเจ้า ว, วิธุทะพะทรงสะดับคำนั้นจึงตั้งพระไยว่า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 พระราชาทรงพิโรธเจ้าสักยาว่าได้ให้ทิดานางถาสีแก่เราจึงรับสั่งให้ริบเครื่องบริหารที่พระราชทานแก่พระนางวาสภกติยาและพระโอรสให้พระราชทานเพียงสิ่งของอันพูเป็นทาตและถาสีพึ่งได้เท่านั้นต่อมาโดยการล่วงไปสองถึงสมวันพระาศาสดา เสด็จไปยังพระราชนิเวศประทับนั่งแล้วพระราชาเสด็จมาถวายบังคมแล้วถูนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เริญเกาลือว่าพวกพระญาติของพระองค์ประธานทิดาแห่งนางทาสีแก่หม่อมฉันเพราะฉะนั้นหม่อมฉันจึงริบเรื่องบริหารของนางวาสภกัติยานั้นพร้อมทั้งบุตรให้เพียงสิ่งของ อันผู้เป็นธาตุและหาสีควรได้เท่านั้นพระศาสดาได้ตรัสว่ามหัปปิสพวกเจ้าสากยะตําการรมไม่สมควรธรรมดาเมื่อจะให้ก็ควรให้พระธิดาที่มีชาติเสมอกันมหัปปิสก็ตรตมาภาพขอทูลพระองค์ว่าพระนางวาสภคติยาเป็นพระธิดา ของขัตติยราชได้อภิเสกในพระราชมนเทีน์ของขัตติยราชฝ่ายวิตุทะพกุมารก็ทรงอาศัยขัตติยราชนั่นและประสูตธแล้วธรรมนาว่าวงตระกูลฝ่ายมารดาจะทำอะไรได้วงตระกูลฝ่ายบิดาเท่านั้นเป็นสำคัญดือนนี้แล้วจึงได้ตรัสว่าโบราณกาบัณฑิตทั้งหลาย ได้พระราชทานตำแหน่งอัครมเหสีแก่หญิงผู้ยากจนผู้หาฟืนและพระกุมารที่เกิดในท้องของนางนั้นก็ถึงความเป็นพระราชาในพระนครพรานสีอันกว้างใหญ่ไพศาลถึงสิบสองโยน์ทรงพระนามว่ากันตะวหนะราชาและได้ตรัสกันตะหาริยชาดก พระราชาทรงสดับธรรมกตาทรงยินดีว่าทราบว่าวงตระกูลฝ่ายบิดาเท่านั้นเป็นสำคัญจึงรับสั่งให้พระราชาตานเครื่องบริหารเช่นเคยนั่นแหลแก่มารดาและบุตรตอนพันธุละเสนาบดีภรรยาแม่ของพันธุละเสนาบดีนั่นแหลชื่อมัลลิกาซึ่งเป็นพระธิดา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 อันพระตถาคตตรัสามว่าเดยจะไปณที่ไหนหนางมลิกาจึงกราบตูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสามีส่งหม่อมฉันไปสู่เรือนแห่งตระกูลพระศาสดาข้อนั้นพระเหตุไย ห, หรือนางมาริกาในยะว่าหม่อมฉันเป็นมันไม่มีบุตรพระศาสดาถ้าอย่างนั้นกิจคือการไปไม่มี เธอจงกลับไปเสิดเถิดนงมริกา น, นั้นดีใจถวายบังคมพระสัสดากลับไปสู่นิเวศของตนเมื่อสามีถามว่ากลับมาทำไมนางจึงตอบว่าพระทศพลให้ฉันกลับพันธุละมีความคิดว่าพระทศพลช่งเห็นการไกลจะเห็นเหตุนี้จึงรับไว้ต่อมาไม่นานนักนางก็ตั้งกัน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 ในนครไผ่สาลีพันธุละกล่าวว่าดีละแล้วจึงถือธนูอันบุคคลพึงโกงด้วยเรียวแรงของมุรุษพันหนึ่งอุ้มนางขึ้นรถออกจากเมืองสาวัตถีขับรถไปสู่เมืองไพ่สาลีโดยประตูที่เจ้าลิชบีให้แกมหาลิลิชวี ก็ที่อยู่อาศัยของเจ้าลิชวีนามว่ามาลิมีอยู่นะที่ใกล้ประตูนั่นแหละพอท่านได้ยินเสียงรถกระทบธรณีประตูก็รู้ว่าเสียงรถของปันตุลักษณ์จึงกล่าวว่าวันนี้ไพจะเกิดแก่พวกเจ้าลิชวีการดลกาสับโบกธรณีแข็งแรงทั้งภายในและภายนอกเบื้องบนเขาขึงข่ายโลหะ แม้นกก็ไม่มีโอกาสฝ่ายพันธุระเสนาบดีลงจากรถเขียนพวกมนุษย์ผู้รักษาสระนั้นด้วยหวายให้หลบหนีไปแล้วตัดคายโลหะให้ภริยาอาบแล้วแม้ตนเองก็อาบในภายในสระโบกนีแล้วจึงอุ้มนางขึ้นรถอีกเอาจากพรนธกร ครับไปโดยทานที่มาแล้วนั่นแหละพวกเจ้าหน้าที่ผู้รักษาตูลเรื่องนี้แ ก, พก่พวกเจ้าฤชวีพวกเจ้าฤชวีกริว้วจึงเสด็จขึ้นรถห้าร้ยคันขับออกไปด้วยเจตนาว่าจักจับเจ้ามาละชื่อพันธุละได้แจ้งเรื่องนั้นแกเ่เจ้ามหาลิเจ้ามหาลิตรัสว่าพวกท่านอย่าเสด็จไป เพราะเจ้าพันธุลานนั้นจะฆ่าพวกท่านทั้งหมดแม้เจ้าฤาชวีเหล่านั้นก็ยังทรงตรัสว่าพวกข้าพระเจ้าจะไปให้ได้เจา้ามหาลิจึงตรัสว่าถ้ากระนั้นพวกท่านเมื่อเห็นที่ที่ล้อรถจมลงไปสู่แผ่นดินจนถึงดุ่มแล้วก็พึงเสด็จกลับเมื่อไม่กลับแต่นั้นจะได้ยินเสียงราวกับสายอัศนีบาทข้างหน้า ก็พึงเสด็จกลับจากที่นั้นถ้าไม่กลับแต่นั้นจะเห็นช่องในแองรถของพวกท่านพึงกลับแต่ที่นั้นทีเดียวอย่าได้เสด็จไปข้างหน้าเป็นอันขาดเจ้าลิชวีเหล่านั้นไม่เสด็จกลับตามคำของเจ้ามาหาลิพากันติดตามปันตุระเรื่อยไปนามาลิกาเห็นแล้วจึงกล่าวขึ้นว่านายรถทั้งหลายย่อมปรากฏ พันธุาลากล่าวว่าถ้ากระนั้นในเวลาที่รถปรากฏเป็นคันเดียวกันทีเดียวเจ้าพึงบอกในการที่เมื่อรถทั้งหมดปรากฏดุดเป็นคันเดียวกันคืออยู่เรียงแถวเดียวกันแล้วนางจึงบอกกับพันธุลาว่านายงอนรถปรากฏเป็นคันเดียวกันทีเดียวพันธุลาจึงกลา่าวว่าถ้ากระนั้นเธอจงจับเชือกนี้ไว้ แล้วให้เชื่อแก่นางพันทุละยืนตรงอยู่บนรถกงธนูขึ้นล้อรถจมลงไปสู่แผ่นดินถึงดุ่มเจ้าิชบีทรงเห็นที่นั้นแล้วก็ยังไม่เสด็จกลับเจ้าพันทุละไปได้หน่อยหนึ่งก็ดีดสายธนูเสียงสายธนูนั้นได้เป็นประหนึง่งเสียงอัศนีบาดเจ้าลิชบีเหล่านั้น ก็ยังไม่เสด็จกลับแม้จากที่นั้นยังเสด็จติดตามไปอยู่นั่นแหละพันธุละยืนอยู่บนรถนั่นแลยิงลูกศรไปลูกหนึ่งลูกศร น, นั้นทำงอนรถ500รคันให้เป็นช่องแล้วแทงทะลุพระราชาห0 0รในที่ผูกเกาะแล้วปักลงไปในแผ่นดินเจ้าิชวีเหล่านั้น ไม่รู้ว่าตนถูกลูกสอนแทงแล้วจึงตรัสว่าเฮ้ย ห, หยุดก่อนเฮ้ย ห, หยุดก่อนเขายังเสด็จติดตามไปนั่นแหละปันธุละเสนาบดีหยุดรถแล้วกล่าวว่าพวกท่านเป็นคนตายชื่อว่าการรบของข้าพเจ้ากับคนตายทั้งหลายย่อมไม่มีกจูจาริชวีชื่อว่าคนตายเป็นเหมือนเราไม่มีหรอกปันธุละ ถ้าอย่างนั้นพวกท่านจงแก้กรอบของคนที่อยู่ท้ายสุดดูพวกเจ้าลิชวีเหล่านั้นให้แก้กรอบแล้วเจ้าลิชวีองนั้นล้มลงสิ้นชีพพิ tag ใสในขณะที่แก้กรอออกแล้วนั่นเองที่นั้นพันดุละจึงกล่าวกับเจ้าลิชวีเหล่านั้นว่าพวกท่านแม้ทั้งหมดก็เหมือนกันจงไปยังเรือนของตนของตน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 ถึงความสำเร็จศิละปะทั้งหมดคนหนึ่งหนึ่งได้มีบุุษพันคนเป็นบริวารพระลานหลวงเต็มไปด้วยบุตรเหล่านั้นแลซึ่งไปราชนิเวศก บ, บิดาตอนพันธุลัเสนาบดีถูกฆ่าพร้อมทั้งบุตรอยู่มาวันหนึ่งพวกมนุษย์แปรความด้วยคดีโกงในการวินิจฉัยเห็นพันธุล กำลังเดินมาร่ำร้องกันใหญ่แจ้งการกระทําคดีโกงของพวกอมาตะผู้วินิจฉัยแก่พันธุลานั้นพันธุล่ะไปสู่โรงวินิจฉัยพิจรารณาคดีนั้นแล้วได้ทําผู้เป็นเจ้าของนั้นแหละให้เป็นเจ้าของมหาชนให้สาธุการเป็นไปด้วยเสียงอันดังพระราชาทรงสนับเสียงนั้นแล้วตรัสถามว่า นี่อะไรกันเมื่อทรงสดับเรื่องนั้นแล้วทรงโสมนัสให้ตอดพวกอมท์เหล่านั้นแม้ทั้งหมดทรงมอบการวินิจฉัยแก่พันธุลัเท่านั้นตั้งแต่นั้นมาพันธุลัก็วินิจฉัยโดยถูกต้องจำเดิมตั้งแต่วันนั้นพวกอมท์ผู้วินิจฉัยรุ่นเก่าไม่ได้ข้าจ้างมีรายได้น้อย จึงยุโยงในราชตระกูลว่าพันธุละปราตนาเป็นพระราชาพระราชาทรงเชื่อคำของอมาตะเหล่านั้นมิได้อาจจะทรงข่มพระหรืณตายได้ทรงน้ารีว่าเมื่อพันธุละถูกฆ่าตายในที่นี้นั่นแลความกระหาก็จะเกิดขึ้นแก่เราจึงทรงมีรับสั่งให้บุรุษที่แต่งไว้โจมตีปัจจันตนคร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 ส2องคนในที่นั้นแล้วนำมาเบื่อพันธุลานั้นพ่อถึงจังหวัดปลายแดนพวกโจรที่พระราชาทรงแต่งไว้กล่าวกันว่าทราบว่าท่านเสนาบดีมาแล้วพากันหลบนี้ไปพันธุลเสนาบดีนั้นยังประเทศนั้นให้สงบราบคาบแล้วก็กลับมาลาดับนั้นทหารเหล่านั้น ก็ตัดสีสษะพันธุระเสนาบดีพร้อมกับบุตรทั้งหมดในที่ใกล้พรรณก่อนตอนนางมลิกาเทวีไม่มีความเสียใจวันนั้นนางมลิกาเทวีนิมนต์พระอรคะสาวกทั้งสองพร้อมทั้งภิกษุห้ารรูปครั้นในเวลาเช้าพวกคนได้นำหนังสือมาให้นาง เนื้อความว่าโจรตัดศีสาสามีพร้อมทั้งบุตรของท่านนางรู้เรื่องนั้นแล้วไม่บอกใครๆพับหนังสือใส่ไว้ในผกผ้าอังคาดภิกษุสงฆ์เรื่อยไปขณะนั้นสาวใช้ของนางถวายพัดแก่ภิกษุแล้วนำถาดเนยใสายมาทำถาดแตกตรงหน้าพระเถระ พระธรรมสนนบดีคือท่านพระสารีบุตรจึงกล่าวว่าสิ่งของมีอันแตกเป็นธรรมดาก็าแตกไปแล้วใครๆไม่ควรคิดนาเมลิกานั้นนำเอาหนังสือออกจากพวกผ้าเรียนท่านว่าเขานำหนังสือนี้มาให้แก่ดิฉันเนื้อความว่าพวกโจรตัดสีษาบิดาพร้อมด้วยบุตรสาคน ดิฉันแม้สดับเรื่องนี้แล้วก็ยังไม่คิดเมื่อเพียงถาดเนยใสแตกดิฉันจะคิดอย่างไรได้เล่าเจ้าค่าพระธรมมศยนบดีจึงกล่าวคำที่เป็นกะตานิว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีนิมิตใครๆก็รู้ไม่ได้ทั้งฝืดเกืองทั้งน้อยและชีวิตนั้นซ้ำประกอบด้วยทุก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 คือคนสอดแนมของพระราชาฟังท้ายคำนั้นแล้วกราบทูลความที่ชนเหล่านั้นไม่มีโทษแด่พระราชาพระราชาถึงความสดพระไทยเสด็จไปยังนิเวศของนางมัลลิกานั้นให้นางมัลลิกาและหญิงสะใภอดโทษแล้วได้พระราชทานพรแก่นางมัลลิกานางจึงกราบตูลว่าพรจงเป็นพร อ, อันหม่อมฉันรับไว้เถิด เมื่อพระราชานั้นเสด็จไปแล้วถวายพัดเพื่อผู้ตายอาบน้ำแล้วเข้าเฝ้าพระราชาทูลว่าขอเดชะพระองค์พระราชทานพรแก่หม่อมฉันแล้วอันหนึ่งหม่อมฉันไม่มีความต้องการด้วยของอื่นขอพระองคง์ทรงอนุ ญ, ญาตให้ลูกสไใภ้สบคนของหม่อมฉันและตัวหม่อมฉันกลับไปเรือนแห่งตระกูลเถิด พระราชาทรงรับแล้วนางมาลิกาส่งหญิงสไภส32คนไปสู่ตระกูลของตนของตนด้วยตนเองส่วนนางได้ไปสู่เรือนแห่งตระกูลของตนในกุศินารานครฝ่ายพระราชาได้พระราชทานตำแหน่งเสนาบดีแก่ทีฆะการายนะผู้ซึ่งเป็นล้านพันทุละเสนาบดีก็ทีฆะ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 จึงได้ฝากเรื่องราชะกะกุธพันธ์ทั้ง5คือพระขันธ์สเสมทรชัดมงกุฎฉลองพระบาทและพัดวาลวิชณีไว้แก่ทีฆะกระยานะนั้นเมื่อฝากเรื่องราชะกะกุธพันธ์ทั้ง5ไว้แล้วจึงได้เสด็จเข้าสู่พระขันธกุฎีของพระศาสดาเพียงลําพังพระองค์เดียว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 พระราชาตรัสปิยกถากับพระศาสดาแล้วสเสด็จถอกไม่ทรงเห็นเหล่าเสนาจึงตรัสถามหญิงนั้นเมื่อทราบเรื่องนั้นแล้วจึงทรงดมเรีว่าเราจะพาหลานไปจับวิทุธภะดังนี้แล้วสเสด็จไปกรุงราช จ, จุกรกสเสด็จถึงพรรนกรเมื่อประตูพรรนกรอันเขาปิดแล้วในเวลาวิการ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 เขาเธอสงรับสั่งให้ทำสรีรากิจของพระเจ้าลุงด้วยสักการะใหญ่ตอนพระเจ้าวิตุตปะเสด็จไปพบพระศ า, ศาสดาแม้พระเจ้าวิตรุตปะได้ราชสมบัติแล้วทรงระลึกถึงเวร น, นั้นทรงน้ำมีว่าเราจะยังเจ้าสาขยะแม้ทั้งหมดให้ตายนั่นนี้แล้วจึงเสด็จออกไปด้วย หมูเ่เซนาอันใหญ่ในวันนั้นพระาศาสดาทรงตรวจดูโลกในเวลาใกล้รุ่งทรงเห็นความพินาตแห่งหมู่พระญาติแล้วทรงนำมริว่าเราควรกระทำญาติสังหะคือการสงเคราะห์ญาติก็ในเวลาเช้าเสด็จเที่ยวไปเพื่อบินฑบาดเสด็จกลับจากบินดาบาดแล้วทรงสำเร็จศีาสั ย, ยา ในพระคันธกุฎีในเวลาเย็นเสด็จไปทางอากาศประทับนั่งที่โคนไม้มีเงาโปร่ปรงใกล้เมืองกบิลพัทแต่นั้นไปมีต้นไทรเงาเย็นสนิทต้นใหญ่ต้นหนึ่งอยู่ในราชสีมาของพระชา้าวิทูทะพะพระเจ้าวิทูทะพะทอดบระเนธเห็นพระาศาสดา จึงเสด็จเข้าไปถวายบังคมแล้วกราบดูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะเหตุไรพระองค์จึงประทับนั่งแล้วที่โคนไม้เงาโปร่ปปรงช่นนี้ในเวลาร้อนเห็นป่านนี้ขอพระองค์โปรดประทับนั่งที่โคนต้นใจมีเงาอันเสด็จนั้นเถิพระชจ้าขเมื่อพระศ า, าสดาตรัสตอบว่าช่างเกิดมาบปิฏ ชื่อว่าเงาของหมู่พระญาติเป็นของเย็นพระเจ้า ว, วิจุตภะจึงได้ทรงดำรีว่าพระศัสดาจะเสด็จมาเพื่อทรงประสงค์รักษาหมู่พระญาติจึงถวายเมงครมพระศาสดาเสด็จกลับไปสู่เมืองสาวัตถนั่นแหละแม้พระศัสดาก็ทรงเหาะไปสู่เชตวันเหมือนกันพระราชาทรงระลึกถึงโทษแห่งพวกชาตสากยะ เสด็จออกไปแม้ครั้งที่สองท่านระเนตรเห็นพระาศาสดาในที่นั้นนั่นแหลก็เสด็จกลับอีกและเสด็จออกไปแม้ครั้งที่สามท่านระเนตรเห็นพระาศาสดาในที่นั้นนั่นแหลก็เสด็จกลับแต่เมื่อพระชจ้าวิตุตาบ้านั้นเสด็จออกไปในครั้งที่สี่พระาศาสดาทรงพิจารณาเห็นบุรพกรรม ของเจ้าสากยะทั้งหลายทรงทราบความที่กรรมอันลามกคือการโปรยาพิษในแม่น้าของเจ้าสากยะเหล่านั้นเป็นกรรมอันไกลๆห้ามไม่ได้จึงไม่ได้เสร็จไปในครั้งที่สี่พระเจ้าวิตรุตภะเสด็จออกไปแล้วด้วยกองพลนันใหญ่ด้วยพระดำริว่าเราจะฆ่าพวกเจ้าสากยะตอน พระชาวิตรุตปะข่าพวกสากยะก็ประยายทั้งหลายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่าไม่ฆ่าสัตว์แม้จะตาอยู่ก็ไม่ปร่งชีวิตของเหล่าสัตว์อื่นเจ้าสากยะเหล่านั้นคิดว่าพวกเราฝึกหัดฝีมือแล้วมีเครื่องผูกสอดอันทำแล้วหัดปรือไว้มากแต่พวกเราไม่อาจปรุงสัตว์อื่นจากชีวิตได้เลย พวกเราจัดแสดงกรรมของตนแล้วให้หนีไปเจ้าสาักยะเหล่านั้นจงมีเครื่องผูกสอดัน่นกระทำแล้วจึงเสด็จออกเริ่มการยุตลูกศรที่เจ้าสาักยะเหล่านั้นยิงไปไปตามระหว่างระหว่างพวกบุรุษของพระเจ้าวิสุทธะปะออกไปโดยช่องโลและช่องหูเป็นต้นพระเจ้าวิสุทธะปะถ้าพระเนตรเห็น จึงตรัสว่าพระนายพวกเจ้าสากยะย่อมตรัสว่าเป็นผู้ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ใช่หรือก็เมื่อเช่นนี้ฉนัยพวกเจ้าสากยะจึงยิงบุรุษของเราให้ชิบหายเล่าลำดับนั้นบุรุษคนหนึ่งจึงกราบทูลกับพระเจ้าวิตุตปานั้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ทรงตรวจสอบดูแล้วหรือพระเจ้าวตุตปะ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 บรรดาเจ้าสาขยะเหล่านั้นเจ้าสาขยะที่ยืนคาบหญ้าได้ชื่อว่าเจ้าสาขยะหญ้าพวกที่ยืนตือไม้ออชื่อว่าเจ้าสาขยะไม้ออพระเจ้าวิสุทธะพะรับสั่งให้ข้าเจ้าสาขยะอันเหลือทั้งหลายไม่เว้นตารกแม้ยังดื่มนมยังแม่น้ำคือโลหิตให้ไหลไปแล้วรับสั่งให้ล้างแผ่นกระดาน ด้วยโลหิตในลำ่อของเจ้าสากยะเหล่านั้นสากยะวงหั่นพระเจ้าวิทุตพะเข้าไปตัดแล้วด้วยอาการอย่างนี้พระเจ้าวิทุตพะนั้นรับสั่งให้จับเจ้าสากยะมหานามะแล้วจึงเสด็จกลับในเวลาเสวยพระขยอาหารเช้าทรงดมรีว่าเราจะเสวยอาหารเช้าดังนี้แล้ว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 สอดหัวแม่เท้าเข้าไปในผมขอให้เป็นปมที่ปลายดำลงไปในน้ำและด้วยเดชแห่งคุณของเท้ามาหานามะนั้นนาคพบก็แสดงอาการร้อนพญานาคใครครวนว่านิ้วเรื่องอะไรกันนอเห็นแล้วจึงมาสู่สำนักของเท้ามาหานามะนั้นให้ท้ามาหานามะประทับบนพังผานแล้วจึงเสด็จไปสู่พบ แห่งนาคตาหามานามานั้นอยู่ในภพแห่งนาคนั้นนั่นแหละสิ้นสองปีฝ่ายพระเจ้าวิทูตะประทับนั่งขออยู่ด้วยทรงดำริว่าพระเจ้าตาของเราจะมาในบัดนี้เมื่อตาหามานามานั้นชักช้าอยู่จึงรับสั่งให้คนคนในสระตรวจ ด, ดูแม้ระหว่างแห่งบุรุษด้วยแสงประทีป ไม่เห็นแล้วจึงเสด็จหลีกไปด้วยทรงดำริว่าพระเจ้าตาจัดเสด็จไปแล้วตอนพระเจ้าวิตุตปะถูกน้ำท่วมสวรรค์พระเจ้าวิตรุทปะนั้นเสด็จถึงแม่น้ำอาจีรวดีในเวลาราตรีรับสั่งให้ตั้งค่ายแล้วคนบางพวกนอนแล้วที่หาดทรายภายในแม่น้าบางพวกนอนบนบก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 ไปสู่มาหาสมุทรนั่นแหละส่วนทั้งหมดได้เป็นเหยื่อแห่งปลาและเต่าในมาหาสมุทรนั้นแล้วมาหาชนสนทนากันว่าความตายของเจ้าสาคยะทั้งหมดไม่สมควรเลยความตายที่พวกเจ้าสาคยะถูกพระเจ้า ว, วิจุตปะทุบแล้วทุบแล้วอย่างนี้ให้ตายจึงไม่สมควรตอนพวกเจ้าสาคยะตายสมควรแก่บุรภกรรม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 ระเจ้าสาักยะทั้งหลายนั่นได้กระทำกรรมอะไรไว้ในบางกรรศัสดาในบางกรนพวกเจ้าสาักยะนั่นรวมเป็นพวกเดียวกันโปรโยาพิษหนแม่น้ำก็ในวันรุ่งขึ้นพิสุตตทั้งหลายพากันสนทนาในโรงตำบ่าพระเจ้าวิจุตภะอย่างเจ้าสาักยะทั้งหลายประมาณเท่านี้ให้ตายแล้วเสด็จมาอยู่ เมื่อมโนรถของตนยังไม่ถึงที่สุดนั่นแลพาชนมีประมาณเท่านั้นไปเป็นพักษาแห่งปลาและเต่าในมหาสมุทรแล้วพระศ า, าสดาเสด็จมาแล้วจึงตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายปัจแบบนี้พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยกาถาอะไรเนาเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าด้วยคถาชื่อนี้พระช้าพระศ า, าสดาก็ตรัสว่า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 ธาตุนาสวนบ้านนิกรมและชนบทเป็นต้นก็ในยา น, นั่นแหละในบริเวณวิหารและปัจจัยมีบาทและจีวรเป็นต้นแม้ของบรรพชิตก็ในยา น, นั้นเหมือนกันมัจจุย่อมพานระผู้มีใจข้องในกามคุณอันถึงพรอมแล้วหรืออันอยังไม่ถึงพรอมแล้วซึ่งกำลังเลือกเก็บดอกไม้ ก็คือการมุคุณห้าอยู่อย่างนี้ด้วยประกาศชนิดคำว่าสุดตังฆามังแปลว่าชาวบ้านผู้หลับหลายแล้วหมายความว่าชื่อว่าการหลับด้วยสามารถแห่งการหลับแห่งทัพพสัม bara ทั้งหลายมีฝาเรือนเป็นต้นแห่งบ้านย่อมไม่มีแต่บ้านชื่อว่าอันหลับแล้วก็ปรับเปรียบเทียบความที่สัตว์ทั้งหลาย เป็นผู้ประมาทแล้วเพียงดังว่าหลับแล้วมั จ, จุพานระไปดุดห่วงน้ำใหญ่หั่นกว้างและลึกสองถึงสามโยต์พัดพาชาวบ้านที่หลับแล้วอย่างนั้นไม่อยู่ฉะนั้นคือว่าห่วงน้ำใหญ่นั้นพัดพาชาวบ้านนั้นทั้งหมดสู่มหาสมุทรไม่ให้สัตว์ใรๆไร้ในบรรดาสตรีบุรุษโค กระบือและไก่เป็นต้นเหลือใบทำให้เป็นภักษาของปลาและเต่าชั้นใดมัจุราชคือความตายพานรผู้มีใจคล่องแล้วในรมต่างต่างคือตัดอินรีคือชีวิตก่อนรานั้นให้จมในมหาสมุทรคืออบายทั้งสี่ก็ฉะนนั้นเหมือนกันในเวลาจบธรรมเทศนาชนทั้งหลายเป็นอันมากมรลุเรียผลทั้งหลาย มีโซดาปฏิบัผลเป็นต้นแลว้วเทศนามีประโยชน์แก่มหาชนดังนี้แหละเรื่องพระเจ้าวิตุตภะ